หมวดที่ 8. ภิกษุทั้งหลายตัชนียกรรมประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งที่จัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยและระงับดีคือ 1. ลงเพราะอาบัติที่เป็นเทสนาคามินี 2. ลงโดยชอบธรรมสสงพร้อมเพรียงกันลง ทิษุทั้งหลายตัชนียกรรมที่ประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลที่จัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยและระงับดี